เราเรารับรู้อะไรก็ตามไม่ว่าเห็นทางตาได้ยินทางหูส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้รับรู้หรือเห็นตามความเป็นจริงเท่าไหร่เพราะว่ามันมักจะมีการเติมแต่งหรือตีความอย่างที่เคยพูดไปละเช่น มีคนมองหน้าเราถ้าคนที่มองนี่เป็นผู้ชายนี่ก็เราก็จะตีความว่านี่เขากำลังมองหน้าหาเรื่องเราหรือเขาไม่ชอบเราทั้งๆที่ความจริงอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นรวมมีคนซุบซิบนะไกลหูเราแล้วเขาก็เหลือมองมาที่เราเราก็ตีความว่า เขาเลยดินทาเรากำลังพูดไม่ดีเกี่ยวกับเราทั้งที่เขาอาจจะพูดเรื่องอื่นก็ได้อาจจะพูดถึงเจ้านายเขาดินทาเจ้านายเขาแต่เขากลัวเราได้ยินคนละเรื่องกันเลยแต่ว่านอกจากการตีความแล้วเนี่ยมันยังมีการให้ค่า ให้ความหมายแตกต่างกันไปตัวนหนึ่งก็เป็นเรื่องการเติมแต่งนะเช่นใครที่เขาชมเราหรือเข า, อาชอบเราเราก็จะเห็นเขาเนี่ยมีสีหน้าผ่องใสเป็นมิตร แต่ถ้าใครไม่ชอบเราเราก็จะเห็นใบหน้าเขาเนี่ยดูน่าเขียมดูดุดันแต่พอคนคนเดียวกันนั้นเนี่ยเขามาชมเรานะภาพของเขาในความรู้สึก ข, ของเราก็เปลี่ยนไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเติมแต่ง ด้วยใจของเราไม่ใช่แค่เห็นด้วยตามันก็ทำให้เราเนี่ยไม่อาจเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงหรืออย่างที่มันเป็นได้นอกจากการตีความการเติมแต่งแล้วนะก็การให้ค่าหรือการตีค่าเราก็ทำเป็นประจำนะเช่นตีค่าว่าเนี่ยมากอย่างนี้มากอย่างนี้น้อยสวยไม่สวย หอมไม่หอมอร่อยไม่อร่อยถูกต้องไม่ถูกต้องแฟไม่แฟอันนี้ก็เป็นเรื่องการตีความแล้วก็เป็นการให้ค่าไปนในเชิงบวกเชิงลบดีไม่ดีถ้าสังเกตดูเนี่ยเราจะมีการให้ค่าหรือตีค่าแบบนี้เป็นประจำํำจะเป็นเสียงนกร้อง อ, อ้อดีไพเราะ จะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ดีแสกเก้าหูเสียงดังนี่คือการให้ค่าหรือตีค่ามันทำให้สิ่งต่างๆที่เรารับรู้ไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจเนี่ยมันมันคลายเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งบ่อยครั้งก็ทำให้เป็นทุกข์ แล้วไม่ใช่แค่ตีค่านะหรือว่าให้ค่าในทางบวกทางลบมันยังมีการปรุงแต่งต่อไปอีกเช่นชอบไม่ชอบนะอยากได้อยากผักใสหรือเกิดความรู้สึกบวกความรู้สึกลบนะถ้าอร่อยก็ชอบไม่อร่อยก็ไม่ชอบถ้าหอมอก็อยากได้ ทำเหม็นก็อยากผักใสมันเกิดปฏิกิริยาในทางลบทางบวกไปพร้อมๆกับการรับรู้อันนี้เราชอเป็นการปรุงแต่งก็ได้ซึ่งมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงหรืออย่างที่มันเป็นได้แล้วก็มันก็ตามมาด้วยความสุขหรือความทุกข์ ความสุขความทุกข์ในใจเราเนี่ยนะมันมันก็หนีไม่พ้นนะเรื่องการที่เติมแต่งให้ค่าหรือว่าปรุงแต่งต่างๆนาน า, า, าและมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังมีการปรุงแต่งนะในระดับที่ลึกซึ้งอีกเช่นมีการกำหนดหมายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสัญญา วันนี้ดอกไม้นี่บ้านนี่เสียงโทรศัพท์นี่เสียงนกที่จริงการกําหนดหมายแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรแต่ว่าเรามักจะทําหลายมากกว่า น, นั้นนะเช่นไปกําหนดไว้ว่าว่ามันเป็นตัวเป็นตนนะดอกไม้ที่เป็นตัวเป็นตน ว่านนี่เป็นตัวเป็นตนคือมีภาพอัตตาซ้อนลงไปในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่รับรับรู้ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ใช่เปรูปทานามธรรมเนี่ยมันมีการสร้างภาพตัวตนซ้อนเห็นว่ามันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตน แล้วก็ตามมาด้วยการไปปรุงแต่งว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นโทรศัพท์นี่มันก็ไม่เห็นว่าศัตว์ประสาทโทรศัพท์นะแต่มันยังเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นเราเป็นของเรารถก็เป็นของเราคนรับก็เป็นของเรามันมีภาพตัวตนแล้วก็ภาพ สำคัญมั่นหมายเป็นเราเป็นของเราเนี่ยซ้อลงไปอยู่เสมอนะในทุกสิ่งที่เรารับรู้และพอทำอย่างนั้นเข้านะความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ง่ายเลยมีอะไรมากระทบสิ่งนั้นที่เราสำคัญมันหมายเป็นของเราเป็นตัวเราเราก็เกิดความไม่พอใจหรือว่าพอสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นตัวเป็นตน ก็คิดต่อไปว่ามันต้องเที่ยงนะพอมันเสื่อมสลายไปตามการเวลาก็ทุกข์เสียใจอันนี้รวมถึงร่างกายนะที่เรายึดว่าเป็นเรานะเป็นเราเป็นของเรานะพอมันเจ็บมันป่วยหรือว่าพอมันแก่หรือว่ามันอ้วนผอมผิดจากความคาดหวังของเรานะก็ทุกข์ ก็เสียใจก็เกิดความวิตกกังวลนันจะได้ได้ว่าเนี่ยการที่เราไม่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นที่หมายของความทุกข์เลยเพราะในส่วนก็นำไปสู่การยึดมั่นถือมั่นว่าเที่ยงว่าเป็นสุขว่าเป็นตัวเราเป็นของเราด้วยเหตุนี้เนี่ยนะในทางพุทธศ า, าสนาเนี่ยคาว่า สักแต่ว่าเนี่ยสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญคือการรับรู้สิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงโดยที่ไม่มีการเติมแต่งตีค่าหรือว่าให้ค่าหรือว่าปรุงแต่งว่าเป็นเราเป็นของเรามันทำให้เห็นอย่างที่มันเป็นซึ่งมันก็ช่วยนำไปสู่การละการวาง ไม่ยึดมันถือมันนะว่าเป็นเราเป็นของเราศักแต่ว่าักตว่านี่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะักแต่ว่าได้ยินนะศักแต่ว่าเห็นศักแต่ว่าลิ้มรสนะอย่าไปปรุงแต่งว่ามันเป็นบวกเป็นลบดีไม่ดีเพราะมันจะนําไปสู่ความพอใจไม่พอใจความยินดีร้ายแล้วก็สุดท้าย ตามมาด้วยความผิดหวังความเสียใจเมื่อมันไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาหรือเมื่อมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีขึ้นมาสักตะว่าเนี่ยมันเป็นคำที่สำคัญมากาที่เราต้องระลึกนึกถึงใส่ใจแล้วก็ทำความเข้าใจใดีเพราะว่าสักตะว่าเนี่ยนะถ้าว่าทำได้อย่างถึงที่สุดนี่มันก็ทำให้ ความทุกข์เนี่ยหมดสิ้นไปได้นะหรือว่าหรือเรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยยังมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีนักบวชคนหนึ่งนะชื่อพาหิยะพาหิยะเนี่ยทีแรกก็ไปหลอกลวงชาวบ้านว่าตัวเองเป็นพระอระหรันต์เขาว่าอารหันต์เนี่ยมันเป็นก็เป็นคำที่มีมันานแล้วนะ ไม่ได้มีเฉพาะในพุทธศาสน า, าก็ถือว่าเป็นผู้พิเศษก็แล้วกันในสายตาคนทั่วไปภายาัยยะนี่จะอยู่รอดได้คือรอดจากเรืออับปางไม่มีเสื้อผ้าอาพรติดตัวจะอยู่ได้นก็ต้องสร้างทำเป็นพระอรหันต์ ให้คนศรัทธานับถือก็จะได้เอาลาบสักการะมาให้ตอนหลังเนี่ยก็ไปหลงเชื่อจริงว่าตัวเองเนี่ยเป็นอรหันต์นะหลังจากที่ไปบอกใครว่าฉันเป็นอรหันต์หรือหลังจากที่ไปหลอกใครมาสุดท้ายก็เชื่อเองว่าเป็นอรหันต์แต่ว่ามีเพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นเทพนะเป็นเทวดาเนี่มากะซิบหมอเนาะ ท่านนไม่ใช่อรหันอรหันที่แท้จริงในโน้นอยู่ที่กรุงสาวัตถีภัยยะเนี่ยลึกๆก็มีความใฝ่ดีนะก็ต้องการพ้นทุกข์พอได้สติขึ้นมาเนี่ยก็รีบตรงไปหาพระพุทธเจ้าเลยเพราะเชื่อว่าเนี่ยหรือเกิดศรัทธาขึ้นมาว่านี่คือพระอรหันต์ที่แท้เดินเท้านะ ร้อยโยดนะไม่ว่าทั้งวันทั้งคืนเลยร้อยโยดนี้ก็เกือบสองรอกิโลเมตรนะเดินนะจะเรียกว่าเป็นหลายทิศหลายทิเดนะอาจจะเป็นเดือนนะนะไปถึงสาวัตถีเนะี่ยตอนเช้าพอดีก็ไปพระพระเทธเจ้ากับหมู่สงฆ์เนี่ยกำลังเดินพินาศ พายญานี่ก็ตรงเข้าไปเลยนะแล้วก็ขอให้ผู้เจ้าเนี่ยแสดงธรรมผู้เจ้าก็ตัดว่านี่ยังไม่ใช่เวลาจริงพวกองค์นี่คงจะเห็นนะว่าเนี่ยพยญาเนี่ยจิตใจตอนนั้นเนี่ยคงยังไม่เหมาะที่จะรับฟังธรรมเพราะว่ารีบร้อนเหนื่อยแล้วก็จิตใจเนี่ย อยากจะรู้ธรรมมากยังไม่เหมาะกับการที่จะได้พิจารณาใคร่วรทำพงศ์ก็เลยผัดไปก่อนนี่ยังไม่ใช่เวลาแสดงธรรมไหยะก็รบเรานะขอให้พงศ์แสดงธรรมพงศ์ก็ปฏิเสธจิตเป็นครั้งที่สองไยะก็เลยบอกว่าเนี่ยกัปเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นะอาจจะอยู่ไม่ถึงวันนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นขอพระองค์เนี่ยได้โปรดแสดงธรรมหลังจากที่พระเจ้านเนี่ปฏิเสธสามครั้งนะในที่สุดพระองค์ก็แสดงธรรมนะสั้นๆ น, นะวกว็อยู่บนท้องถนนนจัดว่าเนี่ยเมื่อเห็นศักว่าเห็นเมื่อดินก็ศักดิ์วะได้ยินเมื่อทราบก็ศักดิตวัทราบเมื่อรู้แจ้งอารมณ์ก็ศักติวตวรู้แจ้งอารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีไม่ว่าในการใด ไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์พายาพิจารณาณนะ์หลังจากที่หายเหนื่อยแล้วพิจารณาก็ปอกว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วนะตอนหลังก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะนะด้านการตัดสรุปธรรมอย่างรวดเร็ว พอบรรลุธรรมเนี่ยเป็นพระอรหันเนี่ยนะท่านก็ตั้งใจจะขอบวชเลยนะขอบวชจากพุทธเจ้าในวันนั้นเลยก็ต้องไปหาเครื่องบวชมาแต่ปกว่าวิ่งไปออกไปไม่กี่ก้าวนะเดินไปไม่กี่ก้าวเนี่ยด้วยความเร่งรีบเนี่ยก็โดนวัวขิดตายนะก็ เป็นนั้นว่าไม่ได้บวชแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้เป็นโมฆะนะเพราะว่าได้เป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้ก็ทำให้เห็นเลย น, นะว่าที่ท่านพูดว่าเนี่ยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เนี่ยนั่นขอพระองค์แสดงธรรมเนี่ยมันก็เป็นคำที่มีความหมายมากแต่ประเด็นที่สำคัญเนี่ยที่จะที่มาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่าเนี่ย พัยนะเมื่อเห็นสักตะวะเห็นเมื่อได้ยินสักตะวะได้ยินนะเมื่อทราบแต่ว่าสักตะวะทราบเมื่อรับรู้อารมณ์สัคตะวะรู้รับรู้อารมณ์เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีนะไม่ว่าในการใดไม่มีทั้งในโลกนี้โลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกเนี่ยคำว่าสักตะวะเนี่ยเนะีนะ่ยมันสามารถที่จะ เป็นกุญแจนะพาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นั่นคำว่าศักทว่านี่เป็นสิ่งที่สาคัญที่เราชาวพุทธเนี่ยคต้องใส่ใจด้วยการที่เรานใคร่ควรวนอยู่เสมอนะเวลารับเรา ร, ร, รับรู้อะไรเนี่ยให้ลองสังเกตดูว่าเนี่ยเราศักทว่ารับรู้ศักต์ว่าได้ยินหรือว่ามีการเติมแต่งมีการให้ค่า มีการตีความนะมีความพอใจไม่พอใจมีความยินดียินร้ายหรือเปล่านะีจริงเนี่ยการที่คนเราเนี่ยจะรับรู้ศักท์แต่ว่ารับรู้เนี่ยสิ่งสำคัญที่จำเป็นมากเลยนะคือสตินะเพราะสติเนี่ยมันทำให้ช่วยหเห็นสิ่งต่างๆตองกวาเป็นจริงมันทำให้รู้ทันนะเวลามีการปรุงแต่งเติมแต่งหรือตีความ ซึ่งบางครั้งเราก็เรียกว่าอค ต, ติสิ่งที่จะช่วยให้อคติเนี่ยไม่มาครอบงมจิตใจเราก็คือสตินั่นแหละเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะตามาไปด้วยเวทนาถ้าไม่มีสตินัก็จะเกิดตัณหาอุปาทานขึ้นมานอันนี้เป็นนะ ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยการตามหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อเกิดผัสสะนีคือตาเห็รูปอุ่ได้ยิเสียงเนี่ยเวทนามันเกิดแต่มันไม่ได้เกิดแค่นั้นนะมันตามมาด้วยตัณหาอุปาทานแล้ว่าเกิดการปรุงแต่งแต่ถ้ามีสตินะในขั้นผัสสะหรือเมื่อมีเวทนามีสติมันก็ไม่ปรุงเป็นตัณหาอุปาทานเกิดตัวเกิดต้นขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดตัณหาอุปาทานแล้วมันก็พาไปสู่ภพชาติ แล้วก็ชลาโมรณะโสกับปริเทวาคือความทุกข์นั่นเองพูดง่ายคือว่าเมื่อเกิดการรับรู้ถ้ามีสตินะมันก็ไม่มีการปรุงแต่งมันก็เห็นสักตะวะเห็นรับรู้สัคตะรือรับรู้และที่จริงการปฏิบัตินะที่เราทาที่นี่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถจะปฏิบัติข้อนี้ได้นะสักตะวัยเห็นเนี่ย โดยเฉพาะในระดับที่มันเกิดอารมณ์ความคิดขึ้นมายังไม่ต้องถึงขั้นตาเห็นลูกหูได้นินเสียงเอาแค่ว่าเมื่อมันเกิดความคิดและเกิดอารมณ์ตามมาสักตะวัสักต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาพูดให้เป็นคําง่ายๆว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยมันคือสักต่ว่านั่นแหละมีความโกรดเกิดขึ้นก็สักต่ว่ารู้ สักแต่ว่ารับรู้แต่ไม่ผักใสมีความคิดเกิดขึ้นที่เรามักจะให้คาตีความว่ามันคือความฟุง้งซ่านก็สักแต่ว่ารู้นะไม่เผลอเข้าไปในความคิดนะแล้วก็ไม่ผักใสมันคือไม่ตามความคิดนะแล้วก็ไม่ต้านความคิดไม่ตามอารมณ์แล้วก็ไม่ต้านอารมณ์เนี่ยแค่สักแต่ว่าเห็นนะ แต่มันเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็ไม่เข้าไปยึดมาเป็นราเป็นของเราด้วยอันนี้แหละมันคือกระบวนการฝึกนะให้เรารู้จักสักแต่ว่ามันสักแต่ว่ามีความคิดผุดขึ้นมาแต่เราไม่ไปทำอะไรกับมันมีอารมณ์เกิดขึ้นหงุดหงิดขุนมัวก็รู้เฉยเฉยรู้ว่ามันเป็นแค่สภาวะนะที่เกิดขึ้น แต่ว่าไม่ไปทำอะไรกับมันไม่ไปม่ไปตัดสินว่าโกรธไม่ดีสงบนี้ดีมองมัวหมุนหม่นมัวไม่ดีแจม่มใสดีหนักอกหนักใจไม่ดีโปร่งเบาสบายดีไม่มีนะไม่เอาเลยนะก็แค่เห็นแล้วก็รับรู้เฉยๆพราะไม่งั้นเนี่ย ก็เกาไปปรุงแต่งไปให้ข่าว่าสงบดีนะมันก็จะเข้าไปยึดนะไปคลอเคลียกลายเป็นความหลงโกรธไม่ดีไปผักใสนะ่ก็เผลอจมเข้าไปในความโกรธนะหรือไปยึดว่าโกรธเป็นเราสงบเป็นของเราเกิดผู้โกรธผู้สงบผู้เครียดนะอันนี้มันก็พาไปสู่ความทุกข์หรือว่าตถาจัจแห่งความทุกข์ไม่จบไม่สิน้นงั้นถ้าเรา อยากจะฝึกให้รู้จักสักแต่ว่าสักแต่ว่าเนี่ยสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักปฏิบัติรู้สื่อๆนะรู้เฉยๆไม่ว่าไอ้ที่มันผุดขึ้นมามันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ใหม่ๆจะทาไม่ได้หรอกนะเวลามันมีความคิดขึ้นมาก็อยากจะไปตบปบมันเพราะว่าเห็นว่ามันไม่ดีไม่ชอบมันคือความฟุ้งซ่าน เวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็อยากจะไปผักสายมันแต่ก็อดไม่ได้ที่จะยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราปรุงตัวโก้ขึ้นมาเป็นผู้โกรธเห้นท่เราฝึกเนี่ยให้รู้จักสักแต่ว่าสักแต่ว่าด้วยการนะปฏิบัตินะรู้สื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลารูป ก, กระทบตาเสียงกระทบหูเนี่ย มันก็จะวางใจเป็นกลางต่อสิ่งนั้นได้มันจะไม่มีการให้ค่าว่ารูปนี้ดีเสียงนี้ไม่ดีมันจะไม่มีการปรุงแต่งนะความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจีจริงเนี่ยเวลาเรารับรู้อะไรเนี่ยนอกจากการให้ค่าตีความเติมแต่งแล้ว มันมีอีอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่สักแต่ว่านะก็คือการที่โยงไปถึงอะไรบางอย่างคน <Yeah. S 1> เราเนี่ยเวลาเห็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้เห็นอย่างที่มันเป็นนะมันมีการโยงไปถึงบางสิ่งบางอย่างเราเคยได้ยินนะมันมีการทดลองกับหมาเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ในกรงแล้วก็เวลาให้อาหารก็จะมีเสียงระคังดังเสียงกระดิ่งดัง ให้อาหารทุกครั้งมีเสียงกระดิ่งดังทุกครั้งตอนหลังเนี่ยนะแทนที่จะให้อาหารนะก่อนไม่สั่นกระดิ่งเลยหมานี่พอได้ยินกระดิ่งนะมันน้ำลายไหลเลยทำไมมันน้ำลายไหลเพราะมันโยงเสียงกระดิ่งเนี่ยกับอาหารได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็นึกถึงอาหารขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมาด้วยกันตลอดเวลา พอนึกถึงอาหารเกิดอะไรขึ้นน้ำไหลไหลนังคนเราก็เหมือนกันนะเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้เห็นอย่างสิ่งสิ่งนั้นอย่างเดียวมันมีการโยงสมัยที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยพอมีเสียงระฆั ง, งดังเสียงแรกเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะมันเป็นสัญญาณที่โยงให้เรา นึกขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าห้องเรียนแล้วแล้วเราเบื่อห้องเรียนดิ้นเสียงะระฆังแรกเนี่ยไม่ชอบเลยแต่พอเรียนไปเรียนไปหมดชั่วโมงดินเสียงะระฆังเราชอบเลยนะเพออะราะแหละเพราะมันช่วยให้เรานึกถึงการหยุดพักไปเที่ยวไปกินขนมไปวิ่งเล่นเสียงะระฆังก็เสียงเดียวกันนั่นแหละเสียงแรกกับเสียงสองเนี่ย แต่เรารู้สึกกับมันต่างกันเพราะเสียงแรกมันทําให้เรานึกถึงการที่ต้องไปนั่งเรียนฟังครูบนฟังครูสอนไม่ชอบแต่เสียงสองเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงการได้ไปเที่ยวได้ไปพักได้ไปวิ่งเล่นทวกคนเราเนี่ยมักจะโยงนะกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอบางคนได้ยินเสียงเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยก็นึกถึง ีก่อนนะที่ได้ไปนั่งฟังกับแฟนไปยินเสียงเพลงนั้นก็เกิดความสุขเพราะมันชวนให้โยงไปนึกถึงช่วงที่มีความสุขแต่บางคนเนี่ยเห็นเสื้อผ้าจิตใจก็เศร้าหมองเพราะว่านึกถึงคนที่ตัวเองรักซึ่งจากไปบางคนนะ่ไม่อยากจะขับรถ ผ่านถนนสายหนึ่งนะเพราะว่าถนนสายนี้เนี่ยตัวเองกับสา ม, มีเนี่ยขับรถผ่านเป็นประจำแต่ตอนนี้สา ม, มีจากไปแล้วเห็นถนนสายนี้ทีไรก็นึกถึงสา ม, มีที่จากไปแล้วทำให้เกิดเศร้าเกิดความผหงาทุคนเราเนี่มักจะโยงสิ่งต่างๆไม่ได้เห็นอย่างที่มันเป็นนพอไปโยงแล้วเกิดความเศร้า เกิดความสุขเกิดความเพลิดเพลินนั้นเราต้องถ้าเรารู้รู้เท่าทันนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปโยงสิ่งที่รับรู้มาไปสู่เหตุการณ์ที่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจหรือเเกิดความโกรธแค้นพอเห็นบางคนแล้วเนี่ยน้ตาหน้าตาการแต่งกายเนี่ยมันพาให้เรานึกถึง คนที่เราเกลียดคนที่เขาทาร้ายเราก็เลยพลอยเกลียดคนนั้นไปด้วยทั้งที่เพิ่งรู้จักกันการที่เราโยงสิ่งต่างๆโดยไม่ทันรู้ตัวเนี่ยมันก็นําพาไปสู่ความทุกข์ได้แต่ถ้าเราโยงเป็นนะมันก็มีประโยชน์นะอย่างพระอรหันต์บางท่านเนี่ยท่านพิจารณาทำจาก ดอกบัวเห็นดอกบัวค่อยๆค่อยๆร่วงค่อยๆโรยหลังจากเวลาผ่านไปท่านก็ถึงกับบรรลุธรรมได้เลยนะเพราะว่าดอกบัวนี่พอท่านเห็นแล้วท่านก็โยมไปถึงสังขารสังขารของใครสังขารตัวเองว่ามันไม่เที่ยงดอกบัวมันก็ไม่เที่ยงนะมันร่วงโรยก็ไม่ต่างจากสังขารของเรา พอเรารู้จักโยงแบบนี้เนี่ยมันเกิดทำเห็นธรรมขึ้นมาได้มันอยู่ที่ว่าเราเราจะอาจจะไม่อาจไม่อาจจะปฏิเสธการเชื่อมโยงสิ่งที่เราเห็นกับเหตุการณ์อื่นได้แต่ถ้าเรารู้จักโยงให้เป็นนะเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นไม่ว่ารับรู้ทางตาได้ยินทางหูเนี่ยไปสู่ธรรมะ ไปสู่ความไม่เที่ยงหรือไปสู่จิตใจของเราเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เป็นเนี่ยนะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเป็นจริงในจิต ใ, ใจของเรามันก็ทำให้เกิดปัญญามันทำให้เกิดการวางจิตวางใจต่อสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักมีโยนิโสมาสิกการนั้นถ้าเรามีสติก็ดีเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับรู้สิ่งต่างๆ โดยที่ไม่ ป, ปรุงแต่งหรืออย่างน้อยก็รู้ทันความปรุงแต่งนั้นรวมทั้งเวลาเราโยงเห็นอะไรเราโยงไปสู่สิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเรามีสติก็จะไม่โยงไปสู่สิ่งที่ทําให้เกิดความเศร้าหมองจิตเป็นอกุศลแต่จะรู้จักเชื่อมโยงมาสู่การทําให้ใจเนี่ยเกิดปัญญาเกิดความรู้สึกนึกคิดที่เป็นกุศลขึ้นมาอันนี้คือ สิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจได้เข้าใจทำเห็นทำได้มากขึ้นรื้อย่างนอกก็ทำให้จเราเป็นกุศลนะเอาเดี๋ยวนี้พุท่ทนีนะเอากลับครับ